สัพพทานังธรรมะทานังชินาติการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงขอทุกท่านร่วมอนุโมทนาและร่วมศึกษาธรรมไปพร้อมกันเลยนะครับวิธีฝึกสมาธิเพื่อติดต่อโอปปปาติกะพ ร, ะรรัตนะสุวรรณคำนำ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 การยึดถือพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งนั้นหมายความว่าอะไรทางนี้เพราะเขาไม่ทราบว่าพระรัตนตรัยคืออะไรการนับถือพระพุทธศาสนาแต่ในานามโดยที่จิตใจเข้าไม่ถึงนั้นก่อให้เกิดผลร้ายต่อศาสนาหลายอย่างอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดก็คือพวกวัตถุนิยมเมื่อได้เห็นการกระทาและความเชื่อถือของชาวพุทธในที่ทั่วๆไปแล้ว เขาก็มักจะเข้าใจว่านั่นคือตัวพระพุทธศาสนาและเพราะเหตุที่เขาเป็นนักคิดและเป็นคนมีเหตุผลในอันที่จะเชื่ออะไรฉะนั้นในเมื่อมาเห็นการกระทาและความเชื่ออย่างงมงายของชาวพุทธในที่ทั่วๆไปก็เลยทําให้เกิดความคิดว่าพระพุทธศาสนาทําให้คนงมงายซึ่งความจริงเขาก็หารู้ไม่ว่าสิ่งที่ประชาชนส่วนใหญ่เชื่อถือกันอยู่นั้น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 ชีวิตที่เกิดขึ้นสมบูรณ์ในทันทีที่วิญญาณปฏิสนธิตามภาษาโบราณแปลกันว่าผุดเกิดคำแปลอันนี้คนที่ไม่เข้าใจความหมายที่แท้จริงอาจจะทำให้เข้าใจผิดได้เพราะคำว่าผุดโดยมากทำให้เรานึกถึงปลาที่ผุดขึ้นมาจากน้าหรืออะไรก็ตามที่ผุดขึ้นมาจากน้ำฉะนั้นจึงอาจจะทำให้บางคนวาดภาพไปว่า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 คืออุทธจักได้เด็ดขาดส่วนบุคคลนอกจากนี้ยังละอุทธจจะไม่ได้โปรดสังเกตว่าอุทธจจะมีที่มาสองแห่งคืออุทธจจะที่เป็นนิวรณกับอุทธจจะที่เป็นสังโยชน์หมายเหตุอุทธจจะตามสับปลายว่าความฟุ้งซ่านแห่งจิตเป็นความไม่สงบแห่งจิตความวุ่นวายใจความพล่านแห่งจิต ซึ่งเป็นข้อหนึ่งในนิวรหและเป็นข้อหนึ่งในสังโยชนิวรคือสิ่งที่กั้นไม่ให้ก้าวหน้าในคุณธรรมทมที่กั้นจิตไม่ให้บรรลุคุณความดีอกุศลธรรมที่ทำจิตให้เศร้าหมองและทำปัญญาให้อ่อนกำลังสังโยชน์คือกิเลสที่ผูกมัดใจสัตว์ทมที่มัดสัตว์ไว้กับทุกขทัจจะในนิวรนั้น เป็นสิ่งที่แม้แต่คนธรรมดาที่สามารถเข้าฌานก็ละได้แต่อุทธะที่เป็นสังโยชน์นั้นจะมีแค่พระอรหันต์เท่านั้นที่ละได้ซึ่งอุทธะความคิดฟุ้งซ่านในสังโยชน์นั้นจะเป็นความหมายขั้นสูงแตกต่างจากอุทธะในนิวรณเป็นความคิดที่ปรุงแต่งขึ้นเองในเรื่องที่ไม่มีเจตนาคติเพราะขาดสติในการควบคุมความคิดความฟุ้งซ่านในธรรม หรือเรื่องต่างๆเพียงเล็กน้อยที่ไม่มีข้อมูลด้านกิเลสเจือปนอาจเรียกว่าเป็นกิเลสขั้นละเอียดจึงไม่พึงสับสนระหว่างอุทจฉาความฟุ้งซ่านที่เป็นนิวรกับอุทจฉาที่เป็นสังโยช น, นะครับโปรดสังเกตว่าอุทจฉามีที่มาสองแห่งคืออุทธจฉาที่เป็นนิวรกับอุทจฉาที่เป็นสังโยชน คนใดถ้าหากมีอุทธจักระอยู่ในสันดานมากความฝันก็เปะปะมากคนใดถ้าหากมีอุทธจัรน้อยความฝันก็เปรกปะน้อยและถ้าหากคนใดในขณะที่นอนหลับมีสมาธิดีความฝันก็ชัดเจนและอาจจะติดต่อกับโอปปาติกะได้แต่อย่างไรก็ตามขอให้เข้าใจว่าบุคคลที่ยังมีอุทธจักระและยังจะต้องฝันนี้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 เปรตอสุรกายหรือยักษ์เหล่านี้เป็นตน้นรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องโอปปปาติกะข้าพเจ้าจะไม่เขียนไว้ในหนังสือเล่มนี้ในที่นี้มีความประสงค์แต่เพียงให้ท่านเข้าใจว่าคนเราตายแล้วไม่สูนตายแล้วก็ยังมีชีวิตและชีวิตที่ว่านี้ก็สามารถที่จะติดต่อกับมนุษย์ได้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 ตั้งใจที่จะฝึกและมีพื้นพอที่จะฝึกสมาธิในขั้นสูงได้แต่แล้วก็จะไม่ได้รับความสนับสนุนจากบุคคล ท, ทั่วไปด้วยเหตุนี้งานในด้านนี้จึงยังต้องอาภัพอยู่เมเดชานก็ติดต่อกับโอปปปาติกาได้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 ทั้งทั้งที่เขามีเหตุผลมีหลักฐานพร้อมบริบูรณ์ทุกอย่างแต่คนส่วนมากก็จะไม่ยอมเชื่ออยู่นั่นเองทั้งนี้เพราะอะไรเพราะเขาเคยพบแต่ธนบัตรปลอมมาบ่อยๆจนเข็ดหลับเพราะฉะนั้นถ้าหากจะมีใครสักคนหนึ่งเอาธนาบัตรมายื่นให้เขาก็ต้องสงสัยทันทีว่ามันก็คงปลอมอีกเช่นเคยในเรื่องธนบัตรถึงแม้จะมีเรื่องยุ่งยากทํำนองนี้เกิดขึ้น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 อย่างใดอย่างหนึ่งให้เห็นหรือบรรดาให้เ ห, เห็นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นข้อนี้บางทีก็เรียกว่าเทวดาสังหรนโปรดสังเกตว่าคำว่าเทวดาในที่นี้หมายถึงโอปปาติกะทั่วไปซึ่งอาจจะเป็นโอปปาติกะที่ดีก็ได้ไม่ดีก็ได้สอุปพาณิมิต รอบบุญหรือบาปที่เคยทำไว้ในครั้งก่อนๆแสดงนิมิตอย่างใดอย่างหนึ่งออกมาให้เห็นซึ่งจะเป็นสั ญ, ญลักษ์บอกให้รู้ว่าจะมีเหตุดีหรือเหตุร้ายเกิดขึ้นในการข้างหน้าเหตุแห่งความฝันทั้งสีประการนี้มีกล่าวไว้ในคำภีสัทธธรรมปโชติกาภาคสองหน้า113ท่านได้อธิบายไว้ว่าความฝันสองข้อแรก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 ก็ไม่ได้หมายความว่าถ้าคนไหนฝันเห็นคนที่ตายไปแล้วจะเป็นเรื่องจริงทุกรายไปในที่นี้ข้าพเจ้าหมายความแต่เพียงว่าในบางครั้งคนที่ตายไปหรือโอปะปะปติกะได้มาเข้าฝันจริงแล้วเรื่องที่ฝันเห็นนั้นก็เป็นจริงทุกประการถ้าเรายอมรับว่าข้อเท็จริงอันนี้มีได้เราก็จะเข้าใจได้โดยไม่ยากว่าเหตุไรบางคนทั้งที่ไม่ได้ฌาญ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 ขอให้เชื่อไว้ก่อนถึงแม้พระพุทธเจ้าจะตรัสไว้ในกาลามสูตรว่าอย่าได้เชื่อคำภีก็ตามแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าพระพุทธเจ้าจะทรงสอนไม่ให้เราเชื่อคำภีเลยตรงกันข้ามพระพุทธเจ้าทรงต้องการจะเตือนพวกเราว่าจะเชื่ออะไรขอให้พิจารณาเสก่อนเมื่อเห็นว่ามีเหตุผลจึงค่อยเชื่อ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 ตลอดถึงเรื่องราวที่คนทรงในที่ต่างๆบอกแล้วเรื่องอื่นๆในํำนองนี้ก็เหมือนกันเมื่อท่านได้ยินก็อย่าพึ่งเชื่อเอามาเป็นสาระแต่ก็ไม่ควรจะคัดค้านใครเขาพูดอะไรให้ฟังก็ฟังไว้เฉยๆถ้าท่านไปติดใจสงสัยในเรื่องที่เขาบอกเล่ามันจะทำให้ท่านต้องยุง่งจนถึงกับแม้แต่เรื่องจริงๆซึ่งเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ง่ายๆท่านก็จะปลอยสงสัยไม่เชื่อไปด้วย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 เป็นเพราะอะไรโดยธรรมดาเด็กหลับง่ายผู้ใหญ่หลับยากประเด็นนี้โปรดสังเกตให้มากและท่านจะเห็นว่าการที่เด็กหลับง่ายเป็นเพราะอารมค้างในจิตใจของเด็กไม่มีเรื่องราวต่างๆที่ผ่านเข้าสู่จิตใจของเด็กเด็กลืมง่ายและไม่ค่อยเก็บเอามาคิดถ้ายิ่งเป็นเด็กทารกความจริงข้อนี้ก็ยิ่งเห็นได้ชัด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 กล่าวคือการที่เด็กหลับง่ายเป็นเพราะร่างกายของเด็กในระยะนี้ต้องการการนอนหลับมากเพื่อให้ร่างกายเจริญเติบโตเร็วเด็กเล็กๆจะต้องให้นอนมากๆร่างกายจึงจะแข็งแรงและโตเร็วสำหรับประเด็นในข้อนี้ควรจะนึกไว้บ้างแต่ก็ไม่สาคัญอะไรในทางที่จะนามาเป็นหลักของการฝึกสมาธิเพราะปรากฏว่า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 และเป็นเด็กที่มีสุขภาพร่างกายดีด้วยเด็กประเภทนี้ส่วนมากจะสามารถเอามาฝึกสมาธิใหถึงขั้นหลับในสมาธิได้ง่ายโดยใช้เวลาไม่นานเท่าไหร่ถ้าคิดเป็นชั่วโมงก็ไม่เกินหนึ่งอยชั่วโมงแต่ทั้งนี้หมายความว่าต้องฝึกทุกวันอย่างน้อยวันละหนึ่งชั่วโมงเท่าที่ข้าพเจ้าพูดมานี้ข้าพเจ้ากล่าวถึงแต่หลักส่วนใหญ่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 เป็นผลงานที่ทำให้คนส่วนใหญ่เกิดความเชื่อถือในเรื่องตายแล้วเกิดในเรื่องกฎของกรรมได้ง่ายมากแต่อย่างไรก็ดีขอที่โปรดเข้าใจไว้ด้วยว่าเด็กบางคนแม้จะมีคุณสมบัติครบตามที่กล่าวมาทุกประการก็ไม่ใช่หมายความว่าจะสามารถฝึกสมาธิถึงขั้นเห็นโอปปาติกะได้เพราะยังมีปัจจัยที่สาคัญอีกข้อหนึ่ง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 เขามีมาแค่ไหนอย่างไรหรือถ้าจะพูดอีกในย่าหนึ่งก็คือตรวจดูว่าเขาเคยทำอะไรมาบ้างเคยมีความสาเร็จในทางไหนมาบ้างมีความถนัดในทางไหนมีอัธยาศาัยชอบอะไรและโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือทุนที่เขามีอยู่แล้วนั้นมีกำลังพอหรือไม่ที่จะทำให้สาเร็จมากผลในชาตินี้การตรวจอุ ป, ปนิสัยดังที่กล่าวมานี้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 ข้าพเจ้าเองทำไม่ได้และไม่มีทางจะทำได้เลยแต่ข้าพเจ้าก็มีอุบายอย่างอื่นกล่าวคือเพราะเหตุที่ข้าพเจ้ามีบุคคลที่มีสมาธิดีสามารถจะติดต่อกับโอปปาติกะได้และโดยอาศัยวิธีนี้เองก่อนที่ข้าพเจ้าจะฝึกสมาธิให้แก่ใครซึ่งถ้าหากจะทำกันให้ได้ผลจริงๆแล้วข้าพเจ้าจะต้องถามโอปปปาติกะที่มีญาณ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 แต่ได้เพียงเล็กน้อยอยู่ได้ไม่นานแล้วต่อมาก็เสื่อมที่ข้าพเจ้าว่าได้ทิพยญาจักสูนั้นเพราะเคยทดสอบแล้วเขาสามารถที่จะมองเห็นสิ่งของในที่มืดมองทะลุฝาและบางครั้งก็มองเห็นได็ไกลถึงต่างจังหวัดและที่ข้าพเจ้าถึ่งมากก็คือข้าพเจ้าเคยทดสอบให้เขาอ่านหนังสือโดยไม่ต้องเปิดหนังสือเมื่อบอกให้อ่านหน้าไหน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 เขาจะทำให้โลกหันมาสนใจศึกษาและปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้ามากขึ้นตามที่ข้าพเจ้ากล่าวมานี้ท่านจะเห็นว่าข้าพเจ้าไม่ได้หวังมากเกินไปในทิเบตเมื่ อ, องค์ดาลายลามะสิ้นพระชนผู้นำในทางศาสนาจะต้องเที่ยวเสาะสแสวงหาผู้ที่จะเป็นองดาลายลามะองค์ต่อไปทันทีงานอันนี้ก็ททำกันมาหลายชั่วอายุคนแล้ว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 ข้าพเจ้าพูดนอกเรื่องแต่ความเป็นจริงแล้วข้อสังเกตที่ข้าพเจ้าได็กกล่าวมานี้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติโดยตรงและใครจะกล่าวอีกสักครั้งหนึ่งว่าผู้ที่มีพื้นจิตใจเหมาะสมในอันที่จะฝึกสมาธิขั้นสูงนั้นขอให้เราพยายามเสาะแสวงหาจากเด็กๆทั้งหญิงและชายบ้างบางทีเราจะได้พบเพชรเม็ดงามอย่างที่คนทั้งหลายต้องการ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 ความจำเป็นทางอาชีพก็มักจะต้องบังคับให้ต้องไปทำงานอื่นซึ่งไม่ค่อยจะได้ใช้ความรู้ที่ตนเองได้เรียนมาจริงๆนี่คือช่องโหว่ที่ทำให้การพระศาสนาไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควรหมายเหตุผู้อ่านในเรื่องของพระที่มีสติปัญญาสูงและมักจะสึกไปเกือบทั้งหมดนั้น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 ความฝันที่เกิดจากความคิดของตัวเองกับความฝันเห็นโอปปปาติกะนั้นมีข้อที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดความฝันที่เกิดจากความคิดของตัวเองจะเป็นภาพที่เลือนลางเตินขึ้นมาแล้วจำไม่ค่อยได้หรือถ้าทิ้งไว้หลายวันก็อาจจะเลือนหายไปหมดส่วนการฝันเห็นโอปปปาติกะถ้าเป็นการเห็นจริงๆภาพในความฝันจำชัดมากแม้เตื่นขึ้นมาแล้ว ก็จำได้แม่นแม้จะทิ้งไว้ตั้งนาน น, านบางคนนับเป็นปีปีก็ยังจำภาพนั้นได้แจ่มชัดและถ้าหากในขณะนั้นจิตมีสมาธิดีก็จะเห็นภาพในความฝันติดต่อกันเป็นเรื่องเป็นราวมีระเบียบแต่ถ้าสมาธิไม่ดีภาพที่เห็นก็จะขาดเป็นห้วงหวงไม่ติดต่อเป็นเรื่องและจะมีภาพที่เกิดจากความคิดของตัวเองแทรกเข้ามาด้วย ตัวอย่างเช่นเมื่อสองสาวันมานี้ข้าพเจ้าได้ฝันเห็นท่านเจ้าพระคุณพระพิมลธรรมช้อยแต่ในขณะที่กำลังฝันอยู่นั้นหูไปได้ยินเสียงจากวิทยุในตอนเช้ามืดด้วยภาพที่ปรากฏจึงกลายเป็นว่าเห็นท่านเจ้าคุณพระพิมลธรรมนั่งอยู่บนธรร ม, มาตรและกำลังเทศอยู่ในฝันบอกว่าข้าพเจ้าตั้งใจฟังเทศแต่ก็จาไม่ได้ว่าท่านเทศว่าอะไร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 หรือเกิดความเชื่อในเรื่องเหล่านี้ได้อันหนึ่งเด็กบางคนแม่อายุตั้งสองถึงสาขวบเวลานอนหลับก็มักจะเห็นโอปปาติกาเสมออย่างนี้ก็มีแต่เด็กตื่นขึ้นมาแล้วจำไม่ได้และเด็กบางคนอาจจะเห็นโอปปาติกะทั้งทั้งที่กำลังตื่นอยู่กระพาะเจ้าได้เคยพบตัวอย่างของเด็กประเภทนี้มาหลายรายแล้วเรื่องอย่างนี้ควรจะรับฟังเอาไว้บ้าง เพราะอย่างน้อยที่สุดถ้าเด็กในบ้านของท่านมีตาเป็นสื่อกล่าวคือสามารถเห็นโอปปาติกะได้ในบางครั้งหรือมีใจเป็นสื่อือเวลานอนหลับก็มักจะเห็นโอปปาติกะเสมอแต่เด็กไม่รู้เรื่องและบางทีเรื่องบางอย่างที่เด็กเห็นในเวลานอนหลับเป็นเรื่องที่เด็กสนใจตื่นขึ้นมาแล้วยังจำได้และเอามาเล่าให้ผู้ใหญ่ฟัง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 จะมีบ่อยๆในเวลาที่เราตัดสินใจทำอะไรซึ่งข้าพเจ้าหมายความว่าในขณะนั้นโอปปปาติกะที่คอยช่วยเหลือเราจะช่วยเราคิดแล้วก็ส่งกระแสความคิดมายังจิตใจของเราแล้วเราก็รับความคิดอันนั้นเข้าไว้โดยไม่รู้สึกตัวซึ่งประสบการณ์อย่างนี้จะมีได้บ่อยๆแก่บุคคลที่มันสวดมนต์ทำสมาธิก่อนนอน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 ซึ่งติดมาตั้งแต่สมัยตัวเองยังเป็นมนุษย์เข้าสิงโอปปาติกะประเภทนี้จะส่งกระแสความคิดของเขาเข้ามาครอบงำทําให้บุคคลประเภทนี้เลิกได้ยากรายละเอียดและข้อบกลีกย่อยเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้มีอีกมากมายเท่าที่เล่ามานี้เป็นเพียงให้ข้อสังเกตเท่านั้นหมายเหตุ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 เพียงแค่นี้ข้าพเจ้าก็สามารถที่จะสอนให้เด็กเข้าใจได้แต่ทั้งนี้ท่านก็ต้องเข้าใจไว้ด้วยว่ามีเด็กเป็นจำนวนไม่น้อยเหมือนกันที่ข้าพเจ้าสอนไม่ได้เพราะไม่ว่าจะสอนอย่างไรแกก็ไม่มีทางที่จะเข้าใจเด็กอย่างนี้มีอยู่เรื่องดอกวัวสีเหลาเป็นหลักวิชาครูที่ใช้ได้ตลอดการอันหนึง่ง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 ความเข้าใจในเรื่องธรรมะก็ค่อยกระจางขึ้นโดยลำดับยิงฟังก็ยิงเห็นจริงตามที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนความเลื่อมใสความปีติจะเกิดขึ้นหล่อเลี้ยงจิตใจอยู่ทุกขณะตลอดระยะเวลาที่ฟังอยู่จิตใจไม่หันเหไปทางอื่นเลยและด้วยเหตุนี้เองพระองค์จึงสามารถชักจูงจิตใจของผู้นั้นให้ดาเนินไปตามทางที่พระองค์ต้องการจะจูงเขาไป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 ขปเจ้ายัางอยู่ห่างไกลกับวิธีการอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงทําได้ห่างกันเสียยิ่งกว่าฟ้ากับดินอยู่ห่างกันคือขพเจ้ายัางห่างไกล ย, ยิ่งกว่าฟ้ากับดินห่างกันเสียอีกแต่แม้กระนั้นการสอนสมาธิด้วยวิธีจูงดังที่ขพเจ้าทําอยู่นี้ก็ทําให้ได้รับผลเป็นที่น่าพอใจไม่น้อยเหมือนกันลูกศิษย์ของขพเจ้าคนที่สามารถหลับในสมาธิ